ุสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสรนสินสนทนานะคะดิฉันสันสินาพวงเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเรากำลังจะก้าวเข้าสู่วันวิสาขบาูชากาันเร็วนี้นะคะคือวันที่ส3บสาที่กำลังจะมาถึงหลายคนก็บอกว่าโอ้ดีมากเลยเป็นลองวิกเอนนะคะก็เลยไปปฏิบัติธรรมกันไกลนูน่นต่างประเทศ <c oughs> ก็สุดแท้แต่ว่าสาหรับในช่วงเวลาของ รายการนี้อยากจะประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นความร่วมแรงร่วมใจกันก่อการบุญก่อการบุญนี่เป็นชื่องานเลยนะค ะ, ะกับทางวัดปถุมวนารามตั้งแต่บ่ายสามเป็นต้นไปก็จะมีทั้งสวดมนต์ฟังธรรมเวียนเทียนแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่ฟังรายการนี้ยี่สิบท่านนะคะ ได้มีโอกาสไปร่วมในกิจกรรมถ้าหากว่าท่านได้ติดต่อเข้าไปในหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งดิฉันจะบอกในลำดับต่อไปแต่ว่าในตอนต้นของรายการนี้ก็เหมือนเดิมะนะคะที่จะมีการให้ทุกท่านก่อนออกจากบ้า น, นได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเลยถ้าอยู่ตามคอร์สนเขาปฏิบัติกันเช้าๆแบบนี้แหละนะคะก็จะได้ ทําให้คนที่มีความประสงค์แหมต้องการมากเลยอยากจะปฏิบททัติธรรมอยากจะปฏิบัติธรรมเมื่อไรฉันจะมีโอกาสได้เดินทางไปสถกทีนาะไปวัดโนนวัดนี้วัดป่าดอนหายโศกเรามีพระอาจารย์จากวัดป่าดอนหายโศกเลยนะคะที่นั่นมีคอร์สทุกๆเดือนแต่ว่าท่านก็สลับเวลาในการที่จะมาให้ธรรมะกับท่านทั้งหลายเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยผูท้ทวชนะนั่นก็คือพระภัยบูรณ์ณพิปุญโนค่ะเราไปพบกับท่านกันเลยนะคะกราบนุสการค่ะ ช่พอนเวลาเราจะเริ่มการปฏิบัตินั้นอย่างแรกเลยที่เราต้องตั้งขึ้นนัคือจิตของเราแต่เพราะว่าการปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นที่จิตแต่จิตอยู่ที่ไหนเราสามารถปฏิบัติได้ทุกที่แตมบางังอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานกําลังเดินทางอยู่หรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่สามารถที่จะปฏิบัติได้เพราะเรามีจิตแต่จิตไปกับเราทุกที่แต่จิตอยู่ในกายนี้จิตถูกล็อกอยู่ในกายมีช่องทางที่จะเข้าออกคือตาหูจมูกลิ้น แล้วก็ช่องทางต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะทําให้สิ่งต่างๆเข้ามาสู่ใจของเราแต่ใจของเรานั้นถ้าเบอกว่าไม่มีที่ตั้งที่ระตึกถึงมันก็จะถูกดึงลากชักไปตามสิ่งที่เข้ามากระทบพระเจ้าจึงให้ใจของเราเนี่ยมีที่ตั้งแต่ที่ตั้งในที่นี้ก็คือสติสติแปลว่าการระลึกได้การเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็คือฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงในที่นี้เราพูดถึงเรื่องของลมหายใจ นั่นคืออาณาปานสติอาณาปานะแปลว่าลมหายใจสติแปลว่าการระลึกได้การที่เรามาระลึกถึงลมหายใจนั่นคืออาณาปานสติอาณาปานสติก็เป็นฐานที่ตั้งการระลึกถึงได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามานึกถึงลมหายใจเนี่ยสติก็เราตั้งขึ้นทันทีเวลาที่เรามีสติอยู่อย่างนี้จะทำสมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้มีสมาสมาธิแล้วจิตใจของเราไม่วิ่งเข้าไปหาอารมณ์ที่ชอบใจ ไม่วิ่งหนีไม่ถอยหนีในอารมณ์ที่ไม่พอใจแต่เป็นจิต ท, ที่อยู่ในสภาวะกลางๆสภาวะกลางกลางตรงนี้คือความที่จิตมีอารมณ์เป็นนันเดียวมีอารมณ์เป็นนันเดียวอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ฐานที่ตั้งของจิตนั่นคือลมหายใจของเราุรุชาก็มีที่อยู่อย่างนี้มีจิตที่เป็นอารมณ์เดียวอย่างนี้เราพระอรัญชาวกทั้งหลายก็มีจิตที่เป็นอารมณ์เดียวอย่างนี้ความเป็นอรยิยบุคคลที่จะเกิดขึ้นจากการที่จิตเป็นอารมณ์อย่างเนี้แล้วก็ไล่มาตั้งแต่เรื่องของความเป็นโสวดาบัน แต่แม้แต่พระโซดอนก็จะมีจิตในลักษณะนี้เหมือนกันพระเจ้าได้เคยเปรียบเทียบเรื่องของความเป็นโซดรบันคือผู้ที่ถึงกระแสเป็นอริยบุคคลขั้นแรกเนี่ยว่ามีความประเสริฐกว่าพระเจ้าจักรพรรดิได้เคยเปรียบเทียบเอาไว้อย่างนี้ว่าพิสูจนทั้งหลายแม้พระเจ้าจักรพรรดิได้กรองความเป็นใหญ่ยิ่งแห่งทวีปทั้ง4เบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับอาจจะได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เป็นสหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงถูกแวดล้อมด้วยหมู่นางอับสอนในสวนนันตะวันตาวเธอเป็นผู้เอิ้ออิ่มเพียบพร้อมด้วยการมงุนทั้งหอันเป็นของทิปอย่างนี้ก็ตามแต่กระนั้นตาวเธอนั้นก็ยังรอดพ้นไปไม่ได้จากนรกจากกาเนิดเดรัชานจากวิสัยแห่งเบรดจากอบายทุกขติวินิบาต ส่วนอริยะสาวกในธรรมะวันนี้แม้จะเป็นผู้ยังอัฐภาพให้เป็นไปได้ด้วยคำข้าวที่มาจากการบินทบาบัดด้วยปลีแข่งของตนเองพันกายด้วยการนุ่งหม่มผ้าปอนๆไม่มีชายหากแต่ว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยทำสี่ประการเธอนั้นก็ยังสามารถรอดพ้นเสียได้จากนรกจากกำเนิดเดรัฉาน จากวิสัยแห่งเปรตจากอบายทุกติวินิบาตและนรกทำสี่ประการคือเธอนั้นเป็นผู้มีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุตรเจ้ามีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระธรรมมีความเลื่อมใสอันย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระสงฆ์และ 4. เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่ปอใจของพระอริยเจ้าระหว่างการได้ทวีบทั้งสี่กับการได้ทำสี่ประการดังนี้นั้นการได้ทวีปทั้งสี่มีค่าไม่ถึงเซี่ยวที่สิกของการได้ทำสี่ประการนี้เลยเพื่อนในขณะที่เรามารู้ลงในใจนี้เนิจะสามารถทําความเป็นโซดาปฏิพลดให้แจ่มแจ้งได้เจริญพรสาธุค่ะ ส่านฟังที่เคารพค่ะโสดาปฏิผลโสดาบันเราได้ยินกันบ่อยๆนั่นหมายถึงว่าการที่เราเก้าวหน้าในการปฏิบัติตามธรรมไต่ระดับขึ้นไปในชั้นของพระอริยะเป็นอริยะบุคคลในระยะที่หนึ่งซึ่งประกอบไปด้วย4ีลำดับด้วยกันใช่ใช่ทำทำี่ประการตรงนี้เขาเรียกว่าโสดาปฏิยังค์คคนคีนะศัพท์เทคนิคนะศัพท์เทคนิคมถึงสั บ, บาลีเนี่ยนะ <OK. S 2> uh, โสตาประเดียงครคือโสตาเนี่ยแปลว่าโซตะหรือโซตาเนี่ยแปลว่ากระแสกระแส <'ll> นะถ้าจะเปร <to> ีย <parks> บเทียบเช่นว่าแม่น้ำเจ้าประยาเนี่ยกระแสแม่น้ำเจ้าประย่าเนี่ยมันก็จะไหลสู่ทะเลแเพราะนั้นถามว่าคุณตกกระแสตรงกลางแม่น้ํำไหมนะที่ว่ามันจะไปสู่ทะเลนการถ้าเข้าถึงกระแสตรงนี้แต่ยังไม่ใช่ไม่ใช่ทะเลนะแต่คุณเข้าถึงกระแสกลางแม่น้ําคนที่เข้าถึงกระแสตรงเนี้ นั่นคือโสดาบันนะประเดที่กี่โสดาบันว่าเอ้าเดี๋ยวต่อไปคุณจะออกทะเลทะเลคือนิพานอย่างนี้อืมค่ะเราได้ความรู้มอีกอย่างหนึ่งว่าคําว่าโสดาต้องบันด้วยหรือเปล่าคแปลว่ากระแสอโซตะโซตาใช่โซตาโซตาแปลว่ากระแสกระ แ, แล้วก็เอ่อท่าที่ฟังเนี่ยท่านช่วยอธิบายให้ง่ายมากยิ่งขึ้นไหมคะว่าทํายากไหมคะเนี่ยที่จะถึงพร้อมได้ทำสี่ประการอ๋อทำสี่ประการคือความเลื่อมใสยอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า นคัคือศรัทธาในพระพุทธสองศรัทธาในพระธรรมสรามศรัทธาในพระสงค์แล้วก็ที่สี่มีศีลชนิดที่เป็นไปเพื่อสมาธิค่ ะ, <น>ะงั้นหลายคนก็เลยบอกเลยว่าโอ้ยศรัทธายอยู่แล้วในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยส่วนศีลเนี่ยก็ว่าปฏิบัติศีลห้าอยู่แล้วเหมือนกันนะอืมก็แสดงว่าอันนี้ก็คือคุณมีองค์แห่งการที่จะบรรลุโสตบัญพร้อมทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นอย่าทราบว่าในการศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยคะ่ะ แค่เรามีความเชื่อว่าในพระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้รู้คําอธิบายเลยแล้วก็ศรัทธาเลยอย่างเงี้ยเพียงพอไหมคะเออมันก็ต้องถามว่าศรัทธาเลยเนี่ยมันไอแบบไหนไอที่ว่าศรัทธาเลยเนี่ย <c oughs> ก็ก็รู้ว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สูงสุดแล้วเอออะไรที่ว่าเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราศรัทธาโดยไม่สงสัยเลยไม่ ร, มรู้ไม่รู้ด้วยยังศรัทธาเลย ก็อ เ, เอาพระเครื่องที่ทําเป็นรูปพพุทธรูปมาแล้วบอก <Okay. S 2> อันนี้กูจะช่วยให้คุณไปนิพพานได้เราจะทํำยังไงดีถ้าสมมุติคุณมีศรัทธาจริงๆเนี่ยนะเราต้องเข้าใจความหมายที่ที่อรามาต้องการหมายถึงนี่นะคือคำว่าพระพุทธเนี่ยไม่ใช่หมายถึงตัวเนื้อเป็นๆของ พ, พระพุทธเจ้าพุทธานิมมาอยู่แล้วการที่มีศรัทธาในพุทธเจ้าเนี่ยคือการที่เรามีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระองค์ท่านและการตรัสรู้คือความรู้ตรง น, นั้นที่เรายกย่องนับถือคือความรู้พุทธะแปลว่าผู้รู้ อย่างนี้นะอันนี้คือก้อที่1มันจะต่างกับพระพุทธรูปที่เป็นอิทธินบุปัายอันนี้เทียบไม่ได้กับพระพุทธรูปที่เป็นท่าสีดินน้ำไฟลมตัวพุทธะแท้ๆด้วยซ้ำเ น, นือตัวเนื้อพระเจ้าถึงแม้แค่นั้นคนที่อยู่ติดพระเจ้าจับใจสังคติท่านอยู่เนี่ยก็ถ้าจิตใจไม่มีพุทธะมีความเป็นผู้รู้ก็ถือว่าอย่างไกลกันแต่บัด น, นั้นต้องเข้าใจความหมายด้วยว่าไอ้ว่าพุทธะเนี่ยที่มีความสตาร์ในพุทธะคือผู้รู้ที่อยู่ในจิตใจจิตเรานั่นล่ะจิตเรานั่่นละะททีีจมพุธได้ นะอันดับที่สองคือธรรมะนะธรรมะในที่นี้คือคําสอนไม่ใช่ว่าห น, ะนังสือนะนังสือไม่ใช่ธรรมะอาจจะมีก็ได้ถ้าคุณเอามาใส่ใจไม่ใช่ว่าไอ้ที่มันอยู่ในตู้พระไตรปิฎกอาจจะมีก็ได้ถ้าคุณเอามาใส่ใจแต่เพราะนั้นในธรรมะคือธรรมะที่อยู่ในใจของเรานะส่วนสงในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงเฉพาะที่คนผมห่มเหลืองเพราะนั้นคือการปฏิบัตนะิแต่การที่สงใ น, ง ใ, นในที่นี้หมายถึงการที่เราปฏิบัติอย่างอย่างเรารู้ธรรมะใดข้อใดข้อหนึ่งเช่นเรื่องศีล แล้วเราเอามาส่งไว้ในใจของเราอ้าวนั่นคือคุณมีธรรมะคุณมีสังขละพอคุณรู้เรื่องศีลเอามาส่งไว้ในใจแล้วมีสังขะในใจแล้วเราทําจนกระทั่งถึงผลของมันว่าศีลเนี่ยโอ้ทำแล้วจะมีความไม่ร้อนใจคุณรู้ขึ้นมาตรงนี้ความรู้ตรงนี้คือพุทธะแต่มันก็จะไล่เป็นลําดับว่าเรามีธรรมะก่อนนะเรามีสังขะนะแล้วเราจึงมีพุทธะเกิดขึ้นในใจนถ้าไอการที่เรามาสักแต่ว่าเออพดทางสรนังกชามิอันนี้คือการสมาทานรัตนตรยัยเฉย นะบางคนก็ยังทำไม่ได้แต่ว่าก็สมาทานไว้แต่ยังทำตามไม่ได้เป๊ะๆก็ค่อยๆไปเพราะว่าคนที่สมาทานมีศรัทธาเต็มที่แล้วเนี่ยเขาจะต้องทำได้อย่างนี้ใช่อนคะเราก็จึงต้องศรัทธาให้ให้ถึงนะนะคะว่ า, เ, าเข้าใจาให้มากขึ้นจะได้เข้าสู่องค์ประกอบของการที่จะมีโอกาสได้เป็นอริยบุคคลในชั้นต้นเข้าสู่กระแสละใช่คือการที่ได้ ไทเทอร์ว่าคุณเป็นโสตะโสตาเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งน ะ, <ท>ะว่าคุณเข้าถึงกระแสนีน่ก็ส่วนหนึ่งแต่ที่ททดีกว่าเหนือกว่าที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยเนี่ยพระเจ้าได้เปรียบเทียบเอาไว้นะกับความเป็นพระเจ้าจักรพรรดินาพระเจ้าจักร พ, พราารดิเนี่ยไม่ใช่เป็นกษัตริย์ธรรมดานาแต่เป็นกษัตริย์ที่มีความยิ่งใหญ่ขึ้นเหนือกษัตริย์ขึ้นมาอีกหนาพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะกรองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วโลกไปหมดหนาทั่วโลกไปเลยในาอย่างสมมุติแต่ละเมืองแต่ละประเทศเขาก็จะมีกษัตริย์มีปรระาาานบดีอไขงเถม แต่ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยคือครองทั่วโลกมีได้องค์เดียวเนี่ยพระเจ้าจักรพรรดิได้องค์เดียวที่ตรองครองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วโลกเพราะฉะนั้นความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าครองแผ่นดินทั้ง4นี่ยคือคือทีวิตทั้ง4เนี่ยครองได้หมดเลยนันี่คือเขาเรียกว่ามีจักรแก้วแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นยังมีสมบัติอีกหนึ่งที่เรียกว่ารัตนนาเจอย่างจักรแก้วนี่เป็นแค่หนึ่งอย่างนั้นเองนะยังมีช้างแก้วม้าแก้ว นะซึ่งเป็นช้างที่มีฤทธิ์เหาะได้เป็นม้าที่มีความสามารถนะมีฤทธิ์เหาะได้ที่ตอนนั้นเคยทดสอบว่าอาขึ้นช้างขึ้นม้าเนี่ยในตอนเช้าตื่นมาปุ๊บขึ้นเลยแล้วก็ไปตัวดิดนแดนทั่วโลกกลับมายังกินอาหารเช้าได้ทัน น, ะนี่รวเร็วขนาดนี้ <c oughs> นี่คือข้อ2ข้อ3ข้อ4ีนั้นก็มีรัตนแก้วมีมณีแก้วมณีแก้วเนี่ยเป็นอัญมณีที่มีความสว่างชดช่วงนะสามารถที่จะพื้นที่ที่เป็นกลางคืนเนี่ย เปลี่ยนให้เป็นกลางวันได้เพราะว่าความสว่างของมันนะข้อที่5นี่ก็มีมีขลามาดีแก้วนะคือผู้ที่ดูแลการเงินการคลังให้นะเงินหลวงในคลังหลวงนี่มีแต่เพิ่มพูนนะข้อที่6นี่ก็มีนางแก้วนะคือนางที่รู้จักเอาใจใส่ปฏิบัตินะรู้ใจนะกลิ่นกายเนี่ก็เหมือนกลิ่นจันทออกมากลิ่นปากก็เป็นกลิ่นดอกบัวกมาจับ <Okay. S 1> ตัวนางในเวลาร้อนตัวนางก็เย็น จับตัวนางในเวลาหนาวตัวนางก็อุ่นนะแล้วก็ข้อที่7นี้ก็มีปรินายโยแก้วคือคนที่จะดูแลการบ้านการเมืองให้นะเรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆในบ้านเมืองนะทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขมีการงานทำํำนะไม่มีปัญหานะพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเนี่ยจะมีทรัพย์อยู่7อย่างอย่างนี้ก็นะจะมีความสุขสะดวกสบายมากเลยอย่างไรก็ตามนะนอกจากทรัพย์7อย่างนี้ยังมีฤทธิ์อีก4อย่างด้วยนะคือ อ่าเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีมากสองเป็นคนที่มีหน้าตาหล่อเหลานีมีรูปโฉมก็งดงาม3เป็นคนที่มีอายุยืนนะถ้าอายุเขาเต็มแม็กกันเท่าไหร่ตอนไหนก็เต็มแม็กตามนั้นก็ต้อง120ปีหรือร้อปีเป็นอย่างเป็นย่งตำ่ำค่ะแล้วก็ข้อที่4ีเนี่ยประชาชนรักมากนีประชาชนอยู่ที่ไหนก็มีความซื่อสัตย์มีความรักในพระเจ้าจักรพตรรดิตรงนี้ค่ะ <Okay. S 1> พระเจ้าจักรพรรดิจะมี ซับเ7อย่างมีฤทธิ์สอย่างนี้ะนะถึงจะเรียกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจริงนะค่ะเอาเอาความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยมาทีนี้เรามาเปรียบเทียบกับโสดาบัลนะโสดาบัลที่มีโสรตาประเดียงกรสีเข้าถึงกระแสะนะไม่ไปลายละนระกเมนื่อเดริชาเปรตวิสัยเอาความสุขของโซดาบัลเนี่ยความสุขของโสดาบัลเนี่ยมานะคุณผูมติวแล้วแบ่งเป็นสิบกส่วนแบ่งเป็นสิบกส่วน ความสุขของพระเจ้าจากกรพัทที่เราพูดเมื่อสักครู่เนี้ว่ามีซ้ำเจ็ดอย่างมีหรือสี่อย่างเนี่ยเอามาเทียบกับความสุขได้แค่ส่วนเดียวของความเป็นโซดาบันด้วยซ้าค่ะคือมีไม่ถึงสิบหกเท่าอ่ะออโซดาบันเนี่ย <c oughs> ยังมีความสุขมากกว่าสิบหกเท่าเ <c oughs> ดือนฉันว่าเผยนะคะคนที่เป็นมหาเศรษฐีคนที่เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าเขามีความสุขมากแล้วในฟังรายการนี้อยู่ท่านอาจจะบอกตัวเองก็ได้ว่า โอมันห่างไกลกันมากแล้วเนี่ยจากความสุขของพระโสดาบันค่ะแต่ดูในพระสูตรเนี่ยมีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนนก็คือที่พระพุทค์ได้ตรัสว่าถึงแม้ว่ า, เ, าเป็นผู้ประพระภิกษุที่แค่บินทบาดเพื่อให้ได้ข้าวด้วยปลีแข้งของตัวเองอมาฉันเนี่ยนะคะแต่งกายด้วยผ้านุ่งห่มปอ น, ปอนแต่ว่า ถ้าประกอบพร้อมแล้วได้ทำสี่ประการเพื่อเป็นพระโสะดาบันดังว่าเนี้ยจะรอดพ้นจากนารกใช่ใช่ตรงนี้แหละคือประเด็นที่ว่าไม่ใช่ว่าความสุขทางตาทางหูที่พระเจ้ายกย่องตรงนั้นนียเพราะว่านั่นบางทีมันพาเป็นนรกได้ถ้าเราเผลอเปลินลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณมีทำสี่ข้อนี้ส่ตาประเด็นก็สี่คุณจะไม่ไปเลยนรกอ่ะค่ะเพราะฉะนถ้าเอาตรงส่วนของความที่จะเสี่ยงเป็นนรกมาเปรียบเทียบด้วยเนี่ย โอโอย่าพูดถึงสิบกเท่าเลยคุณโยมติวเป็นร้อยเท่าเนี่ยก็ยังเที่ยบไม่ได้ค่ ะ, <ฮ>ะท่านคะทีนี้นรกในความหมายของพระพุทธองค์เนี่ยท่านพอจะจินตนาการให้พวกเราจินตนาการตามได้ไหมคะว่าอ๋ออ่ามันเหมือนกันในหนังในอะไรหนังสือที่เราอ่านมีอยู่สองส่วนที่พระเจ้าตรัสในที่นี้ะนะที่เป็นพุทธพจน์ะน ะ, ะนรกเนี่ยหมายถึงที่ที่ไม่น่าพอใจนี้คือคือส่วนหนึ่งหมายถึงภัสสะที่ไม่น่าพอใจ อีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่เราเคยได้ฟังฟังกันมาว่ามีเป็นขุมเป็นแดนนะมีไฟมีในายเนรยบาลที่จะมาคอยลงโทษมียมบาลที่จะมาคอยตัดสินว่าคุณจะไปไหนไปไหนอย่างเงี้ยอันนี้จะมีที่เป็นพุทธพจน์ระบุไว้อยู่ก็มีอ๋อในพุทธพจน์นี่มีตัวย ม, มาบาล น, นี่ด้วยเหรอคะใช่ใช่พญายมได้พูดถึงเอาไว้อ๋อค่ ะ, ะแต่ว่าดิฉันว่าข้อแรกที่ท่านพูดถึงว่า คือความไม่น่าพอาใจภาษาที่ไม่น่าพอใจอันนี้ก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยโอ้โหมันทุกทรมานเหลือเกินอเอาแค่ในโลกเราปัจจุบันนะอ่ะคนที่คือโลกมนุษย์เนี่ยเป็นลักษณะว่าสุขก็มีทุกก็มีมันจะปะปนกันไปสวรสกกวสรค์มีสุขมากกว่ามีทุกน้อยหน่อยนรกมีทุกมากกว่ามีสุขนิดเดียวแล้วไอ้นรกประเภทที่เรียกว่าอเวจีมานนรกเนี่ยมีแต่ทุกตลอดไม่มีสุขระหว่าง มันก็จะค่อยๆต่ําไปเรื่อยๆนะความสุขความทุกข์ก็จะเป็นสัด ส, ส่วนที่มากน้อยไม่เท่ากันอแต่มนุษย์เนี่ยพอพๆกันพอๆกันอารมาจะยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้เช่นว่าเอาพูดถึงคนที่มีความความทุกข์ก่อนเช่นว่าอารมาเห็นภาพนี้รู้สึกน่าสงสารมาคือเด็กในแอฟริกาที่ว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเจ็ดวันกินข้าวแค่สองวันคือวันจันทร์กับวันพฤหัสแล้วก็พร้อมอๆตอนเช้าก็ต้องถูกแม่ปลุกให้ตื่นด้วยการ ใช้ไว้อย่าเบื้องล่างแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อจะเรียกไปให้ขอทานนไปขอทานนไปขอทานก็ถูกเข้ากันแกล้งถูกถูน้ำลายใส่ถูกเตะบ้างอะไรบ้างถูกไล่ออกมาแล้วก็ขอทานก็ไม่ได้ด้วยแล้วก็ถูกด่าถูกว่าเจ็บชาน้ําใจระหว่างทางกลับมาบ้านเด็กก็ถูกนักเลงเล่นงานอีกทำไมวันนี้ขอทานไม่ได้ถูกทุบตีเลือดไหลก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านข้าวก็ไม่ได้กิน ถูกแม่ด่าอีกขอได้ไม่ได้ก็นอนหลับไปทางล้าตามีความทุกข์มากอย่างนี้นี่คือคือประเภทที่1 น, นี่เจอแต่ความทุกข์เลยนะส่วนสวรรค์ที่อยู่ในนรกสวรรค์ที่อยู่บนโลกมนุษย์นะก็มีนะสวรรค์ที่อยู่บนโลกมนุษย์ใช่มบางคนที่ไม่ต้องร่ารวยอะไรมากหรอกเราเร า, ร า, ราท่านๆธรรมดาเ น, น, น, น, น, นี่ยตื่นเช้ามาก็<ไ>สดใสวันนี้ฝนไม่ตกอากาศแจ่มใสนะตื่นเช้ามาก็มีอาหารที่เราชอบกินพอดีนะครับรถไปทํางานก็แหมรถไม่ติดแตนะ่ทุกคนเ อ, อเื้อเฟื้อเกื้อกูลกันในหนทาง ไปสบายมากเลยรถราเลยก็สะดวกสบายถึงที่ทำงานแล้วทุกคนก็ร่วมใจร่วมมือกันไม่มีใครด่าใครว่ากันทุกคนเห็นอนกเห็นใจกันประชุมก็ทำงานกันได้นะกลับมาบ้างก็มีอาหารที่เราชอบกินนะดูทีวีสุขสบายหลับไปแฮปปี้เลยมากๆเลยนะสองคนนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิง แ, แต่อยู่บนโลกมนุษย์เหมือนกันแต่ประเด็นก็คือว่าอย่างเด็กที่อยู่ในแอฟริกาเนี่ยเจอความทุกข์ขนาดนี้ เขาก็ยังมีความสุขบ้างตอนที่เวลาที่เขาไปไปปวดเบาววแล้วเขาไปถ่ายแต่เขาก็ไปปัสสาวะเนี่มันก็ ย, ยังสบายนิดนึงนะมีความสบายตรงนั้นอยู่หน่อยหนึ่งอ่ะอันนี้คือในความทุกข์เขายังมีความสุขระหว่างนะงมีความสุขระหว่างในทางตรงกันข้ามคนที่ว่าไปทํางานแฮปปี้ทั้งวันเนี่ยตอนที่เขากินอาหารเสร็จอิ่มมาทุกอย่างสบายใจแล้วเขาเกิดปวดท้องต้องไปห้องน้ํา น, นั่นจะเป็นความทุกข์ของเขานะความสุขของเขาเนี่ยยังมีความทุกข์มาขวางนิดหนึ่งตอนที่เขาต้องไปห้องน้า ในในตรงนี้ต้องการจะเปรียบเทียบเห็นว่าถ้านรกนะนรกอเวจิมานรกเนี่ยความทุกข์เนี่ยไม่มีระหว่างไม่มีความสุขระหว่างมันทุกตลอดเพราะไฟมันตลอดไม่มีหยุดนีน่คืออเวจิมานรกถ้าเปรียบเทียบกับสวรรค์คนที่มีความสุขแมคุณยังมีความทุกข์แซมตอนที่คุณต้องไปห้องน้ำใช่ไหมแต่ว่าถ้าสวรรค์ประเภทที่สุภกินหาเนี่ยเป็นสวรรค์ชนิดที่มีแต่ความสุขล้นล้นไม่มีความทุกข์ระหว่างมันสุขกันคนละเรื่องเลยนะแล้วความสุขนั้นเป็นทิพย์ด้วย S <S เพราะฉะนั้นถามว่าไอ้สองอย่างนี้ถ้าจะมาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยโซดาพันน้ำไม่ต้องไปไอ้ตรงส่วนที่เป็นนรกไม่ต้องไป <S <S แต่จะไปสวรรค์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันจึงดาวไซมันไม่มีแต่ถ้า <S <S เป็นพระเจ้าจักรพรรดิยังมีดาวไซอยู่ <S <S ท่านคะในที่นี้จะหมายรวมถึงว่าแม้อยู่ในภาวะจำยอมคือต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คนทั่วไปคือึดอัดกั น, นอ่ะ คนทั่วไปไม่พอใจแต่เราก็ไม่มีอาการอย่างนี้เป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้เป็นไม่ได้ตรงนี้แหละคือจิตใจของโซเดบัลที่ว่าเราสภาพแวดล้อมเป็นยังไงก็ตามแต่เราก็ยังผาสุกอยู่ได้เ ร, เราคื อ, คอโสเดบัลเนี่ยอาจจะมีความทุกข์นะแต่ผาสุกอยู่เนี่ยคือก็ยังทุกข์น้อยกว่าคนอื่นแต่ถ้าเป็นบาลหังก์เนี่ยคือจะมีแต่ความผาสุกแหละไม่มีปัญหาจากภาษาใดๆก็ตามแต่โซดดบาลอาจจะโกรธบ้างจีบบ้างเปรี้ยงบ้างแต่ก็อยู่ในกรอบของศีล รักษาตรงนี้ได้ค่ะค่ะและสโสดาบันนี้ฟังแล้วสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะดูเหมือนกับพอเป็นศัพท์ที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยชื่ออย่างเนี้ยแล้วยิ่งเป็นคำตรัสของพระพุทธองค์ด้วยแมย้สูงส่งมากไปถึงได้ไหมหนอแต่เมื่อมาดูองค์ประกอบสี่ประการท่านฟังน่าจะมั่นใจได้เลยทันทีที่ฟังด้ซ้าว่าไม่ยากเกินไปนักเพราะว่า การศรัทธามั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งท่านเปโตรได้อญญธิบายอย่างย่นย่อไปแล้วและถ้าหากอยากเข้าใจมากๆก็พยายามไปดูว่าสิ่งที่พระพุธองได้พูดถึงตัวของพระพุธองเองพูดถึงพระธรรมของพระพุธองเองกับพระสงฆ์นั้นในบทอิติปิโสสวาขคาโตสุปฏิปันโนว่าเป็นเช่นไรกับสุดท้ายก็คือเรื่องของศีลมีศีลที่พอใจของพระริยเจ้า สีหนี่พอไหมคะถูกต่างป่าเลยเพียงป่าค่ะนะคะก็แค่นี้ไปปฏิบัติกันก็แล้วกันเพราะว่ารู้อย่างเดียวไม่ได้ทําให้เป็นโซดาบันแต่ว่าถ้าเราเริ่มปฏิบัติตามจะเรียกตัวเราเองว่าเป็นโซดาอยู่ในโซดาปฏิมรักอยู่ในทา<ใ>นของ<ช>ความเป็นโสดาบัลได้นะคะแล้วทําไปมากๆเข้าจะเกิดโซดาปฏิผลนึง นะคะวันนี้ก็กราบมรส ก, การขอบพระคุณท่านไปบูนเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเช่บานค่ะพอได้ผลปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ไปนรกถ้าเราได้ผลปุ๊บเราจะมีความสุขมากกว่าพระมหาจักรพรรดิที่ครอบครองทวีปทั้งสี่แล้วก็มีเครื่องเคลาเยอะแยะที่ท่านไปบูนพูดไปแล้วเนี่ยนะคะอีกตั้งสิบหกเท่าด้วยรายการของเราสุดท้ายนี้ สันนิสนานก็จะส่งท้ายกราบเรียนท่านทั้งหลายนะคะว่าเบอร์โทรศัพท์ที่บอกให้โทรติดต่อเข้ามาจะได้เป็นหนึ่งยี่สิบคนเข้าไปร่วมในกิจกรรมก่อการบุญที่วัดปฐุมวนารามอย่างเป็นทางการก็คือหมายเลขโทรศัพท์ที่ว่า02ย์จดไว้นะคะหนึ่งสองห1ห6หนึ่งหศสองหนึ่งสองหหหนึ่งย์หเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนได้ ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะแล้วก็ถ้ามีจิตศรัทธาจะร่วมกันในการที่จะเหมือนกับทาโรงทานเลี้ยงผู้ที่ไปสวมดมนต์ไหว้พระตั้งแต่สามโมงเย็นถึงเวลาของการเวียนเทียนเลยก็ตามจิตศรัทธานะคะฟังารายละเอียดมากขึ้นได้ในาการที่ชื่อบางกอกสนทนาตอนสามทุ่มสี่สิบ้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ด้วยค่ะวันนี้ดิฉันสอสศ น, นีนาคพงษ์ รายการสันนีสฐท น, นาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวร้อยหก็ลาทั้งหลายไปก่อนนะคะแลวหวังว่าทุกท่านจะได้รับผลมีความสุขมากยิ่งขึ้นทุกน้อยลงไม่ต้องประสบกับสิ่งที่น่าพอใจหรืออยู่กับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราก็สามารถที่จะดำรงจิตของเราอยู่ได้ไม่หวั่นไหวนะคะติดตามรับฟังรายการกันในวันจันทร์หน้าคะ่ะวันนี้พุทธสวัสดีคะ่ะ